วันนี้ท่านทั้งหลายก็ได้มาฟังเทศฟังธรรมการอีกครั้งหนึ่งเพราะมีศรัทธาความเชื่อว่าการฟังเทศฟังธรรมมีคุณมีประโยชน์เป็นบุญเป็นกุศลเป็นมงคลอย่างยิ่ง ดังที่พระพุทธเจ้าได้ทรงตัดสอนไว้ว่ากาเลนะธรรมะสวรังเอตัมมังกาลมุตตะมังการฟังธรรมเป็นมงคลอย่างยิ่งการฟังธรรมตามการตามเวลาเป็นมงคลอย่างยิ่งตามการตามเวลาก็หมายถึงเวลาว่าง จากภารกิจการงานต่างๆก็ควรที่จะเอาเวลาว่างนี้มาฟังเทศฟังธรรมมาศึกษาพราะธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าเพราะจะได้รับประโยชน์ถึงห้าประการด้วยกันคือหนึ่งจะได้ยินได้ฟังธรรมที่ไม่เคยได้ยินได้ฟังมาก่อนสอง ทรรมที่เคยได้ยินได้ฟังแล้วถ้าได้ยินได้ฟังซ้ำอีกก็จะเกิดความเข้าใจดีขึ้นไปตามลำดับสามจะกำจัดความลังเลสงสัยในธรรมต่างๆได้สี่จะทำให้เกิดสัมมาทิฏฐิความเห็นที่ถูกต้องคือปัญญา และห้าจะทำให้จิตใจผ่องใสสงบมีความสุขนี่คือประโยชน์ที่ผู้ฟังทรรมจะพึงได้รับแต่จะได้รับหรือไม่ก็อยู่ที่ผู้ฟังว่าฟังธรรมแบบไหนการฟังธรรมนี้ก็มีอยู่สองแบบด้วยกันแบบทัพพีในหม้อแกงกับ แบบลิ้นกับแกงไม่เหมือนกันทัาพีในหม้อแกงนี้ทับพีจะไม่รู้รสของแกงส่วนลิ้นกับแกงนี่ลิ้นจะรู้รสของแกงว่าเป็นรสเผ็ดรสหวานหรือรสจืดฉันใดการฟังเทศฟังธรรมก็ฟังได้สองแบบ คือฟังแบบถ้าฟังแบบทัพพีกับแกงก็ฟังไม่รู้เรื่องฟังยังไงถึงฟังไม่รู้เรื่องก็ฟังเพราะว่ากายวาจาใจไม่สงบนั่นเองกายก็คือการร่างกายก็ไปทำอะไรต่างๆในขณะที่ฟังทำวาจาก็พูดคุยกัน ใจก็คิดเรื่องนั้นเรื่องนี้ไม่ได้จดจอ่ออยู่กับการฟังทมถ้าฟังในลักษณะนี้คือกายวาจาใจที่ไม่นิ่งไม่สงบก็จะเหมือนกับทัพพีในหม้อแกงเพราะฟังแล้วจะไม่รู้เรื่องเพราะทำไม่ได้เข้าไปสู่ใจการจะฟังแบบเดินกับแกง นี้ต้องฟังด้วยกายวาจาใจที่สงบกายวาจาที่สงบก็คือศีลใจที่สงบก็คือสมาธิต้องฟังด้วยศีลด้วยสมาธิธรรมที่เข้ามาจึงจะเป็นปัญญาเป็นแสงสว่างแห่งธรรมการฟังเพื่อให้ เกิดประโยชน์จึงต้องฟังแบบลิ้นกับแกงร่างกายไม่ควรไปทำอะไรเช่นไปทำงานล้างถ้วยล้างชามเย็บปักถักร้อยหรือทำอะไรต่างๆที่ต้องใช้ความคิดใจก็จะไม่ได้ฟังร่างกายฟังแต่เสียงแต่ใจไม่ได้อยู่กับเสียงธรรม อยู่กับการทํางานสลับไปกับการฟังธรรมฟังก็จะไม่ได้ประโยชน์อย่างเต็มที่ฟังแล้วก็ขาดตอนเพราะใจต้องวิ่งไปวิ่งมาระหว่างการทํางานของร่างกายกับการฟังธรรมหรือคุยกันก็เหมือนกันคุยกันก็จะทําให้ไม่ได้ยินเสียงธรรม เวลาั่งคุยกันแล้วฟังเทศฟังธรรมไปจะใจจะอยู่กับการคุยกันเสียงธรรมก็เข้ามาหูซ้ายแล้วก็ออกหูขวาไปเพราะไม่มีใจดึงเข้าไปในใจไม่มีสมาธิดึงเข้าไปในใ จ, ด, ในใจดังนั้นเวลาฟังให้เกิดผลเกิดประโยชน์จึงต้องฟังด้วยกายวาจาใจ ที่สงบร่างกายนั่งเฉยๆว่าจะไม่มีการพูดกันใจก็ไม่ไปคิดเรื่องต่างๆใจให้จดจ่ออยู่กับการฟังธรรมแม้แต่การบริกรรมพุโทโธหรือดูลมหายใจก็ไม่ควรกระทาตอนที่ฟังธรรมถ้าอยากจะได้รับประโยชน์จากการฟังธรรม ไม่ต้องบริกรรมพุโทโธไม่ต้องดูลมหายใจเข้าออกให้ใช้เสียงธรรมแทนการบริกรรมพุโทโธให้ใช้การฟังธรรมนี้เป็นอารมณ์ถ้าฟังแล้วยังไม่สามารถพิจารณาตามได้แต่ก็ตั้งใจฟังเสียงไปเรื่อย ก็จะได้ความสงบสุขถ้าฟังแล้วสามารถพิจารณาตามธรรมที่แสดงได้ก็จะเกิดปัญญาเกิดสัมมาทิฏฐินี่คืออานิสง์ของการฟังธรรมที่เป็นมงคลอย่างยิ่งเพราะจะทำให้จิตใจของเรา มีความสุขมีความเจริญก้าวหน้าขึ้นไปตามลําดับนั่นเองทำต่างๆที่เราฟังนี้บางทำบางอย่างเราก็อาจจะไม่เคยได้ยินได้ฟังมาก่อนทำบางอย่างเราเคยได้ยินได้ฟังแล้วพอเราได้ฟังซ้ําอีกเราก็จะเกิดความเข้าใจดีขึ้นไป ตามลำดับเราจะทำให้เราหายสงสัยในเรื่องของธรรมต่างๆเช่นธรรมที่เราจะได้ยินกันอยู่เรื่อยๆก็คือการเรียน่ายตายเกิดการทำบุญทำบาปและการไปรับผลบุญผลบาปเรา เรื่องของธรรมนี้จะไม่ได้มีเราจะไม่ได้ยินได้ฟังจากที่อื่นเราให้ไปเรียนหนังสือไปศึกษาตามสถาบันที่มีชื่อเสียงของประเทศไม่ของโลกก็ตามจะไม่ได้ยินได้ฟังเรื่องของธรรมจะได้ยินได้ฟังแต่เรื่องของโลกดังนั้นเวลาเรามาฟังธรรม เรามักจะไม่ค่อยได้ยินเราจะเราจะได้ยินได้ฟังธรรมที่เราไม่เคยได้ยินได้ฟังมาก่อนถ้าเราฟังบ่อยๆเราก็จะได้ฟังธรรมที่ซ้ากันแต่การฟังธรรมที่ซ้ากันก็ไม่เสียหายเพราะจะทำให้เราเกิดความเข้าใจดีขึ้นไปตามลำดับเพราะการฟังธรรมเป็น เพียงครั้งเดียวนี้จะยังไม่ทำให้เราเข้าใจได้อย่างชัดแจง้งยกเว้นผู้ที่มีปัญญามากมีความสามารถที่จะพิจารณาตามธรรมที่แสดงได้ถ้าเป็นผู้มีปัญญามีความฉลาดแหลมคมฟัง ค, ครั้งเดียวก็อาจจะบรรลุทำได้ แต่ถ้าฟังแล้วยังไม่บรรลุธรรมก็ยังต้องฟังต่อไปกลับมาฟังอยู่เรื่อยๆฟังอยู่บ่อยๆแล้วไม่ช้าก็เร็วก็จะเกิดความเข้าใจแล้วสามารถบรรลุธรรมในขณะที่ฟังได้หรือไม่เช่นนั้นก็นำเอาไปพิจารณาค่ายควรต่อจนเขา เกิดความเข้าใจสามารถที่จะนำเอาไปดับความทุกข์ดับกิเลสได้ก็จะทำให้บรรลุธรรมขั้นต่างๆได้ดังนั้นการฟั่งธรรมนี้จึงมีคุณมีประโยชน์มากเราจะได้ฟังธรรมที่เราไม่ค่อยได้ยินได้ฟังกัน เพราะถ้าเราไม่ได้มาวัดหรือเราไม่ได้เปิดธรรมะฝังเราจะไม่ได้ยินธรรมเราจะได้ยินแต่เรื่องของทางโลกเรื่องของทางโลกก็จะเป็นเรื่องของธุรกิจเรื่องของการเมืองเรื่องของข่าวคราวต่างๆที่ไม่ได้ทำให้เรามีความรู้ความฉลาดในทางธรรมกัน เราจึงต้องมาฟังธรรมพอเราฟังธรรมเราก็จะได้ฟังเรื่องของบุญของบาปเรื่องของผลของบุญของบาปว่าทาบุญแล้วจะได้ไปสวรรค์ทาบาปแล้วจะได้ไปอบายไปนรกถ้าได้ปฏิบัติธรรม ได้ชำระจิตใจให้สะอาดบริสุทธิ์ก็จะไม่ต้องกลับมาเวียนว่ายตายเกิดอีกต่อไปนี่คือเรื่องของธรรมที่เราจะได้ยินเวลาที่เราฟังธรรมและจะไม่ได้ยินจากที่อื่นนะการทาบุญแล้วจะเกิดผล แล้วผู้ที่ไปรับผลบุญนี้คือใครถ้าเราไม่ฟังธรรมเราก็จะไม่รู้เราก็อาจจะไม่เชื่อเรื่องของผลของบุญผลของบาปว่านาลกว่าสวรรค์นี้อยู่ที่ไหนและใครเป็นผู้ไปรับผลของบุญผลของบาปว่เาเวลาที่ร่างกายตายไป เราก็คิดว่าเราก็จบไปกับร่างกายคนที่ทำบุญทำบาป ก, ก็คือร่างกายเมื่อตายไปแล้วก็ไม่ได้ไปไหนไปสู่สุสานไปสู่เมรุกายเป็นที่เท่ากลายเป็นดินไปแล้วใครเป็นผู้ไปรับผลบุญผลบาป ท, ที่ได้ทำไว ถ้าฟังเทศฟังธรรมเราก็จะได้รู้ว่านอกจากร่างกายแล้วยังมีอีกส่วนหนึ่งของเราที่ไม่ได้ตายไปกับร่างกายส่วนที่ไม่ตายกับไปกับร่างกายนี้ก็คือผู้รู้ผู้คิดที่เราเป็นผู้รู้ผู้คิดกันเราคิดจะทำอะไร แล้วเราก็สั่งให้ร่างกายทําไปแล้วเราก็รู้ว่าเราได้ทําสิ่งนั้นสิ่งนี้ไปนั่นแหละคือผู้ที่จะไปรับผลบุญผลบาปต่อไปต่ผู้นี้ไม่ได้ตายไปกับร่างกายผู้นี้ที่จะต้องไปเกิดใหม่ถ้ายังไม่สามารถ กำจัดเหตุที่พาให้ไปเกิดใหม่ได้เหตุที่พาให้ไปเกิดใหม่ก็คือความอยากในรูปเสียงกลิ่นรสความอยากมีอยากเป็นความอยากไม่มีอยากไม่เป็นที่อยู่ในใจของผู้รู้ผู้คิดเนี่ยผู้รู้ผู้คิดนี้เราเรียกว่าจิตใจจิตใจนี้เป็นผู้ที่มา ครอบครองร่างกายเป็นผู้ที่ใช้ร่างกายเป็นคนรับใช้เพราะจิตใจมีความอยากที่จะหาความสุขจากรูปเสียงกลิ่นรสต่างๆยึงจำเป็นก็ต้องมีตาหูจมูกลิ้นกายแล้ต้องมีร่างกายพาไปหารูปเสียงกลิ่นรส เวลาใจได้สัมผัสกับรูปเสียงกลิ่นรสที่ถูกอกถูกใจก็เกิดความสุขขึ้นมาเกิดความยึดติดขึ้นมาเกิดความอยากที่จะสัมผัสกับรูปเสียงกลิ่นรสต่างๆไปเรื่อยๆก็จะใช้ร่างกายนี้ไปหารูปเสียงกลิ่นรสต่างๆในรูปแบบ ต่างๆเช่นไปท่องเที่ยวตามสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆไปตามแหล่งบันเทิงไปตามโรงละครโรงภาพยนตร์ไปตามแหล่งที่มีรูปเสียงกลิ่นรสต่างๆไปตามร้านอาหารไปตามศูนย์การค้านี่คือ การไปเสพความสุขทางตาหูจมู ก, กลิ้นกายที่ผู้รู้ผู้คิดอยากจะเสพอย่างไม่มีวันจบสิน้นเพราะความอยากเสพรูปเสียงเกิ่นรถนี้มันไม่มีวันหมดไปจากการไปเสพเสพแล้วก็อยากจะเสพอีกเป็นเหมือนกับการเสพยาเสพติดและเวลาที่ไม่ได้เสพ ก็จะเกิดความทุกข์ใจขึ้นมาในใจนั้นความทุกข์ใจนี้เราก็เรียกว่านารกหรืออบายความทุกข์ใจนี้เกิดได้จากการทาความทําตามความอยากแล้วไม่ได้ดังใจอยากก็โกรธก็เกิดความทุกข์ใจหรือเกิดความเสียใจก็เกิดความทุกข์ใจขึ้นมา หรือการไปทำบาปก็ทำให้เกิดความทุกข์ใจขึ้นมาเช่นไปทำร้ า, ายผู้อื่นไปฆ่าสัตว์ไปลักทรัพย์ไปประพฤติผิดประเวณีไปโกหกหลอกลวงไปดื่มโซรายาเมาการกระทำบาปก็จะทำให้ใจทุกข์ขึ้นมาร้อนขึ้นมา ความทุกข์ใจนี้เราก็เรียกว่าอบายหรือนรกเนี่ยส่วนความสุขใจเวลาเราทำความดีเวลาเราไปทำบุญใส่บาตรไปให้ข้าวให้ของแก่ผู้ที่เขาตกทุกข์ได้ยากเดือดร้อนไปทำอะไรให้ผู้อื่นเขามีความสุขเราก็เกิดความสุขใจขึ้นมา ความสุขใจนี้แหละที่เรียกว่าบุญหรือสวรรค์สวรรค์ก็คือบุญนี่เองส่วนนรกก็คือบาปหรืออบายเพราะเป็นความทุกข์เป็นความร้อนใจบุญเป็นความสุขใจอิ่มใจเป็นสวรรค์เป็นความสุขความเย็นใจนรกและสวรรค์นี้ ไม่ได้อยู่ที่ไหนก็อยู่ในใจของผู้รู้ผู้คิดนี่เลยแล้วก็ไม่ตั้งรอให้เวลาตายไปถึงจะได้รับผลของบุญหรือของบาปเพราะว่าทำบุญไปปับ๊บผลก็จะเกิดขึ้นทันทีในใจทำบาปไปปับ๊บผลก็จะเกิดขึ้นทันทีในใจทำบุญใจก็จะเย็นใจก็จะสงบ มีความสุขมีความอิ่มทำบาปใจก็จะทุกข์ใจก็จะร้อนทำตามความอยากถ้าไม่ได้ดังใจอยากก็จะทุกข์จะเสียใจจะโกรธนี่คือผู้รู้ผู้คิดที่เราเรียกว่าจิตใจผู้ที่เป็นผู้กระทำโดยใช้ร่างกายเป็นเครื่องมือ ร่างกายนี้ไม่ได้เป็นผู้กระทาเป็นเพียงแต่ผู้รับใช้เป็นเครื่องมือเป็นเหมือนค้อนกับขวานเวลาเราต้องการจะตอกตะปูเราก็เอาค้อนมาตอกตะปูเวลาที่เราจะต้องฟันไม้เราก็เอาขวานมาฟันแต่ผู้กระทาผู้ที่ใช้ค้อนใช้ขวานนี้ก็คือเราคือร่างกาย เวลาเราทำงานเราต้องมีเครื่องมือฉันใดจิตใจก็เวลาต้องการอะไรก็ต้องมีเครื่องมือมีคนรับใช้ก็คือร่างกายร่างกายจริงไม่ได้เป็นผู้รับผลบุญผลบาปเพราะร่างกายไม่รู้สุขไม่รู้ทุกข์ร่างกายไม่มีการรับรู้อะไรทั้งนั้น ร่างกายนี้เป็นเหมือนค้อนกับขวานเอาค้อนทุตบตะปูขวานาค้อนก็ไม่รู้สึกเจ็บกับการที่ต้องไปทุตบตะปูเอาขวานไปฟันไม้ขวานก็ไม่รู้สึกเจ็บไม้ก็ไม่รู้สึกเจ็บเั้นใดร่างกายนี้ก็ไม่รู้สึกทุกข์รู้สุข ก, กับการกระทาของใจ ผู้ที่รู้สึกสุขรู้สึกทุกข์ก็คือใจนี่คือเรื่องของการทำบุญทำบาปหรือการทำตามความอยากต่างๆมันจะส่งผลให้เกิดความสุขความทุกข์ขึ้นมาภายในใจเราเรียกความสุขว่าสวรรค์เราเรียก ความทุกข์ว่าอบายหรือนรกและมันเกิดขึ้นตั้งแต่ที่ร่างกายนี้ยังไม่ตายและมันจะสะสมเหมือนกับเราเอาเงินไปฝากไว้ในธนาคารทุกครั้งที่เราเงินไปฝากธนาคารเราก็จะมีความสุขแล้วยอดเงินก็จะมีเพิ่มมากขึ้นไปเหมือนกับการทำบุญ ทุกครั้งที่เราทำบุญเราก็จะเกิดความสุขแล้วยอดของบุญก็จะมีเพิ่มมากขึ้นไปเช่นเดียวกับการทำบาปเวลาเราทำบาปเราก็ไม่สบายใจแล้วยอดของบาปที่เราทำก็จะมีเพิ่มมากขึ้นไปแล้วเวลาที่เราตายไปเวลาที่ร่างกายนี้ตายไปบุญกับบาปยอดของบุญ ยอดของผลบุญกับยอดของผลบาปนี้จะมาบวกลบคูณหารกันถ้าบุญมีผลมากกว่าบาปมียอดสูงกว่าบาปบุญก็จะเป็นผู้ดึงใจให้ไปสวรรค์ให้ใจมีความสุขเถ้ายอดของบาปมีมากกว่ายอดของบุญบุญก็จะสร้างความทุกข์ให้กับใจดึงใจให้ไป เกิดในอบายไปเกิดในอบายสี่ที่ด้วยกันขึ้นอยู่กับการทําบาว่าทําด้วยเหตุผลอันใดถ้าทําบาปด้วยความไม่รู้ทําบาปด้วยความหลงก็จะไปเป็นเดลฉานพวกเดรลฉานนี้เขาทําบาปโดยที่เขาไม่รู้ว่าบาปแเขาทําเพราะว่าเขาไม่มีทางเลือกเขาจะต้องการ เขาต้องอยู่รอดการจะอยู่รอดของสัตว์เดรัจฉานก็ต้องทำบาปถ้าไม่ไปขโมยอาหารก็ต้องไปฆ่าสัตว์เพื่อที่จะได้เอามาเป็นอาหารอันนี้เรียกว่าทาบาปด้วยความไม่รู้ว่ามีบาปมีผลบาปตามมาไม่รู้ว่าการทำบาปไม่ดีแต่ต้องทำเพราะต้องการจะอยู่รอด มนุษย์ก็เหมือนกันมนุษย์นี้ถ้าทำบาปเพราะไม่รู้อาจจะไม่มีใครสั่งสอนเช่นพ่อแม่ไม่รู้ก็ไม่ได้สั่งสอนลูกไม่ให้ไปทำบาปพอลูกอยากจะได้อะไรเวลาอยากจะกินอาหารไม่มีอาหารกินก็จะไปขโมยเงินเพื่อที่จะได้ไปซื้ออาหารหรือไม่ก็ไปดักสัตว์ไปยิงนกตักตกปลา เพื่อที่จะเอามาเลี้ยงปากเลี้ยงท้องอันนี้ก็ทําไปโดยไม่รู้ว่าเป็นบาปไม่รู้ว่าไม่ดีเป็นโทษกับจิตใจถ้าทําบาปด้วยความหลงด้วยความไม่รู้ก็จะไปลาร่างกายตายไปก็จะไปได้ร่างกายของเดรัจฉานไปเกิดเป็นเดรัจฉานเป็นเกิดเป็น สุนักเป็นแมวเป็นนกเป็นอะไรต่างๆสัตว์ต่างๆเหล่านี้เขาทำบาป ก, กันเป็นปกติเพราะเขาต้องอยู่รอดก็เรียกว่าสัตว์ใหญ่กินสัตว์น้อยปลาใหญ่กินปลาน้อยเพราะเขาไม่รู้เขารู้ว่าเขาต้องกินเขาต้องอยู่เขาต้องอยู่ดังนั้นเขาก็จะกินด้วยการทำร้ายชีวิตของผู้อื่น อันนี้ก็จะทำให้ไปเป็นเดราาัจฉานและเป็นเดรัจฉานตั้งแต่ยังไม่ตายร่างกายเป็นมนุษย์อยู่แต่ใจนี่ได้กลายพันไปเป็นเดรัจฉานแล้วถ้ายังถ้าอยากจะดำรงความเป็นมนุษย์อยู่ถ้าอยากให้ใจยังเป็นมนุษย์เหมือนกับร่างกายใจก็ต้องไม่กระทำบาปถ้าทำบาปแล้วใจก็จะเริ่ม ค่อยๆเปลี่ยนจากการเป็นมนุษย์ไปเป็นเดรัจฉานถ้าทำบาปด้วยความหลงด้วยความไม่รู้ถ้าทำบาปด้วยความโลภอยากได้มากๆอยากมีมากๆก็จะเป็นเปรตเปรตนี้จะไม่มีร่างกายเหมือนเดรัจฉานเปรตจะเป็นจิตใจที่หิวโหวยรุ่มร้อน อยู่ตลอดเวลากินเท่าไหร่ก็ไม่รู้จักอิ่มรู้จักพอเพราะความโลภอยากได้มากมากทำให้ไม่พอได้คืบก็อยากจะได้สอกได้สอกก็อยากจะได้วาได้ร้อยก็อยากจะได้พันได้พันก็อยากจะได้หมื่นได้หมื่นก็อยากจะได้แสนได้แสนก็อยากจะได้ล้านถ้ามีความอยากแบบนี้ เราเรียกว่าใจเป็นเปรตใจเริ่มเป็นเปรตนะเริ่มเปลี่ยนจากการเป็นมนุษย์แต่ต้องทำบาปด้วยถึงเป็นเปรตถ้าอยากได้แล้วไปหามาโดยวิธีที่ไม่ทำบาปนี้ไม่เป็นเ ป, นเปรตเป็นมนุษย์ได้ยังเป็นมนุษย์อยู่เช่นเราอยากได้เงินทองมากๆแล้วเราก็ไปทำมาหากินโดยวิธีสุจริต ไม่ไม่ทำบาปไม่ผิดศีลอันนี้ก็จะไม่เป็นเปรตเปรตนี้เป็นเพราะว่าอยากได้มากๆแล้วก็ไปทำบาปเพื่อให้ได้สิ่งที่ต้องการมาแล้วถ้าทำบาปด้วยความกลัวก็เป็นอสุ ร, รกายกลัวสิ่งนั้นก็ทำลายสิ่งนั้นกลัวเขาจะมาทำลายเราเราเลยไปกำจัดเขาก่อน เยันกลัวมดกลัวแมลงกลัวอะไรต่างๆเราก็เลยไปกําจัดเขาอันนี้ก็จะทําให้จิตใจเป็นอสุรกายอสุรกายก็ไม่มีรูปร่างเหมือนกับเปตเปรตก็ไม่มีรูปร่างแต่เป็นจิตใจเป็นกายที่เวลาที่ร่างกายตายไปแล้วจิตใจก็ ยังอยู่ต่อจิตใจก็เป็นกายทิพย์แต่อยู่แบบไม่เป็นสุขอยู่แบบทุกข์ทรมานใจทุกข์ด้วยความกลัวต่างๆนาน า, นาแล้วถ้าทำบาปด้วยความอาฆาตพยาบาทโกรธเกลียดเคียดแค้นใจก็จะเป็นนรกคือจะร้อนเป็นไฟจะลุกเป็นไฟสังเกตดูเวลาที่เราโกรธใครเกลียดใคร อาคาตพยาบาทไข่จองเวรจองกรรมไข่นี่ใจเราจะร้อนจะอยู่ไม่มีความสุขกินไม่ได้นอนไม่หลับอันนี้แหละใจเป็นนรกตั้งแต่ที่ยังไม่ใต้ตายไปเพียงแต่ว่าขณะที่ยังมีร่างกายใจยังมีการกระทาอยู่ยังสลับยังสลับเป็นนู่นเป็นนี่ได้ เช่นวันนี้อาจจะโกรธเกลียดเคียดแค้นอาฆาตพยาบาทเดี๋ยวพรุ่งนี้อาจจะไปทาบุญทาบุญก็จะกลายเป็นเทวดาไปแล้วบรลลูนนี้ก็อาจจะไปลักขโมยเพราะอยากจะได้ข้าวของเงินทองนี้เราทาบุญทาบาปสลับกันไปเราก็เลยเป็นอะไรสลับกันไปอยู่เรื่อยๆ ถ้าเราไม่ได้ทำบาปเลยเรารักษาศีลห้าได้ตลอดเวลาเราก็ยังจะเป็นมนุษย์อยู่แล้วถ้าเรานอกจากรักษาศีลแล้วแล้วเรายังได้ทำบุญด้วยได้ช่วยเหลือผู้อื่นได้แบ่งปันความสุขให้แก่ผู้อื่นเช่นทำบุญใส่บาตรถวายข้าวของเงินทองหรือไปทำอะไรให้กับคนอื่นให้เขามีความสุข ใจเราก็จะกลายเป็นเทวดาไปใจก็จะมีความสุขขึ้นสวรรค์ตั้งแต่ยังไม่ตายเพราะใจนี้เป็นไดนับผลได้ทันทีไม่ต้องรอถึงเวลาตายทำบุญทำบาปนี้ผลจะเกิดขึ้นทันทีในใจแล้วก็จะสะสมไว้รอเวลาที่ตายก็จะเป็น ผู้ที่จะส่งให้ใจไปสวรรค์หรือไปอบายแล้วพอไปอยู่สวรรค์หรืออบายจนกำลังที่ส่งให้ไปสวรรค์หรืออบายหมดลงก็จะกลับมาเกิดเป็นมนุษย์ใหม่จะมาได้ร่างกายอันใหม่จะมาหารูปเสียงกลิ่นรสมาหาความสุขจากรูปเสียงกลิ่นรสใหม่ เพราะยังไม่ได้กำจัดความอยากที่จะหาความสุขจากรูปเสียงเกลื่นนสต่างๆนั่นเองน่าจะไม่มีวันกำจัดได้ถ้าไม่มีพระพุทธเจ้ามาทรงตัดสรู้ก็จะไม่รู้ว่าเรามาเกิดกันได้อย่างไรแล้วพอมาเกิดก็มาทำตามความอยากต่างๆเพราะถ้าไม่ได้ทำตามความอยากมันไม่มีความสุขนั่นเอง จึงต้องทำตามความอยากเวลาอยากดูก็ต้องไปดูถึงจะมีความสุขถ้าไม่ได้ดูก็จะทุกข์ทรมานใจจึงต้องไปทำตามความอยากทำแล้วก็ได้ความสุขเดี๋ยวเดียวเดี๋ยวความอยากใหม่ก็โผล่ขึ้นมาไปดูวันนี้แล้วมีความสุขเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็เกิดความอยากไปดูใหม่อยากจะไปฟังใหม่อยากไปเที่ยวใหม่ อยากจะไปซื้อของฟุ่มเฟือยต่างๆใหม่ซื้อของที่ไม่จำเป็นจะต้องซื้อนี่เป็นความอยากที่มีอยู่ในใจของสัตว์โลกอย่างพวกเราทุกๆคนมันจึงทำให้พวกเรามาเกิดในโลกของกามกันในโลกของรูปเสียงกลิ่นรสกั น, กนที่เรามาเกิดในโลกนี้ก็เพราะว่าเรามีความอยากที่จะหาความสุข จากรูปเสียงเกลื่นรถต่างๆนี้เองพอร่างกายของเราอันนี้ตายไปเราก็ไปหาร่างกายอันใหม่ก่อนที่จะได้ร่างกายอันใหม่เราก็ต้องไปรับผลบุญผลบาปที่เราได้ทำไว้ในชาตินี้และในชาติก่อนๆไปก่อนจนกว่าผลบุญผลบาปไม่สามารถดึงให้เราไปบุญไปสวรรค์หรือไปนรก ไปอบายได้เราก็จะมารอรับร่างกายจากพ่อแม่คนใหม่ของเราพอเราได้ร่างกายเราก็มาทําเหมือนกับชาติก่อนเราก็จะใช้ร่างกายหาความสุขต่างๆจากรูปเสียงกลิ่นรสต่างๆและการหาความสุขก็อาจจะหาแบบไม่ทําบาปก็ได้หรือแบบทําบาปก็ได้ แล้วแต่ว่าเราจะรู้หรือไม่รู้ถ้าเราไปเกิดในครอบครัวที่เขารู้ว่าการทำบาปไม่ดีเขาสอนให้เราไม่ทำเราก็จะไม่ได้ทำบาปเราก็จะหาความสุขแบบไม่ทำบาปเช่นอยากจะไปเที่ยวไม่มีเงินก็ไปหาเงินก่อนไปทำงานก่อนแต่จะไม่ไปขโมยเงินของผู้อื่นเพื่อที่จะเอาไปเที่ยว เพราะเรารู้ว่าการทําบาปไม่ดีทําบาปแล้วทําให้ใจเราทุกข์ทให้ใจเราเดือดร้อนถ้าเราเกิดในครอบครัวที่สอนเราก็อาจจะทาตามเขาแต่ถ้านิสัยสันดานของเรานี้ชอบทําบาปถึงแม้ว่าจะถูกสั่งถูกสอนก็อาจจะไม่ทําตามก็ได้เพราะว่ามันการไม่ทําบาปนี้มันยากกว่าการทําบาป เวลาอยากได้อะไรนี้การทำการหามาด้วยวิธีทําบาปนี้มันจะง่ายได้ได้ง่ายกว่าได้เร็วกว่าได้มากกว่าเอก็อาจจะไม่เชื่อฟังพ่อแม่ที่สั่งสอนไม่ให้ทําบาปก็ได้พ่อแม่บางคนก็อยากไปเสียอกเสียใจถ้าเจอลูกที่มีสันดานไม่ดีมันไม่ได้มาจากพ่อแม่ มันมาจากสันดานของเขาที่ฝังอยู่ในจิตใจของเขามาจากชาติก่อนๆเขาเพียงแต่มารับร่างกายจากพ่อแม่เท่านั้นเองพ่อแม่มีหน้าที่สั่งสอนก็สั่งสอนเข้าไปส่วนเขาจะสามารถทําตามคำสั่งสอนได้หรือไม่นี้มันก็เป็นเรื่องของเขาถ้าเขามีสันดานที่ชอบทําบาปสั่งสอนอย่างไรเขาก็จะ ไปทำบาปอยู่ดีดังนั้นพ่อแม่ไม่ต้องไปเสียใจเป็นเรื่องของกรรมการกระทำต่างๆนี่เรียกว่ากรรมทำไปบ่อยๆทำไปจนชินมันก็จะเป็นนิสยัยเป็นสันดานขึ้นมาแต่นิสัยหรือสันดานนี้ก็ไม่ได้เป็นของที่เปลี่ยนไม่ได้ยังเปลี่ยนได้ถ้าลูกมีสันดานไม่ดีแต่ได้พ่อแม่คอยสั่งคอยสอน แล้วเชื่อฟังพ่อแม่ทุกครั้งที่จะทำบาปก็พยายามหักห้ามจิตใจไม่ให้ไปทำถ้าหักห้ามจิตใจไม่ไปทำบาปได้ทุกครั้งต่อไปก็จะเลิกทำบาป<ม>จิตใจเปลี่ยนนิสัยสันดานนี้เปลี่ยนได้แต่ผู้ที่จะต้องเปลี่ยนก็คือตัวเจ้าของเขาเองตัวผู้กระทาเองต้องรู้ว่าการกระทามันไม่ดีแล้วอยากจะเลิก พอไม่อยากจะรับโทษจากการกระทำไม่ดีอันนี้เป็นเรื่องของผู้กระทำเรื่องของลูกพ่อแม่ก็เพียงแต่เป็นผู้คอยสอนคอยบอกทางถ้าเขาทาได้ก็เป็นบุญของเขาถ้าเขาทาไม่ได้ก็เป็นกรรมของเขาไปไม่ต้องเสีย อ, อกเสียใจเพราะเขาไม่ได้เป็นลูกของเราเขาใช้ร่างกายของเรา เป็นเครื่องมือเท่านั้นเองตัวเขานี้มีพ่อแม่พ่อแม่ของเขาคือใครก็คือบุญกรรมนี้เองบุญหรือบาปนี้เองงที่พระเจ้าทรงสอนว่าสัตว์ทั้งหลายมีกรรมเป็นของของตนไม่ว่าจะทำกรรมอันใดไว้เป็นบุญหรือเป็นบาปดีหรือชั่วจะต้องเป็นผู้รับผลของกรรมนั้นไป ถ้าทำบุญก็จะได้รับผลดีมีความสุขและได้รับนิสัยที่ดีไปจะชอบทำบุญไปเรื่อยๆถ้าทำบาปก็จะได้รับความทุกข์ใจแล้วก็จะได้รับนิสัยของการทำบาปต่อไปอันนี้ไม่ได้มาจากพ่อแม่มาจากดวงวิญญาณดวงจิตดวงใจของลูกที่มารับร่างกายจากพ่อแม่เท่านั้นเอง พ่อแม่แม่ได้ถ่ายทอดนิสัยดีหรือนิสัยเลวให้กับลูกนิสัยดีหรือนิสัยเลวนี้มันมติดมากับลูกติดมากับใจของลูกแต่พ่อแม่มีอิทธิพลที่จะหล่อล้อมให้ลูกมีนิสัยดีก็ได้มีนิสัยไม่ดีเพิ่มขึ้นก็ได้เช่นถ้าพ่อแม่ทําบาปเนี่ยแล้วมา ลูกก็อาจจะทำตามพ่อแม่เพราะเห็นพ่อแม่ทำบาปก็จะทำตามทาพ่อแม่ทำบุญลูกก็จะทำตามพ่อแม่อันนี้ก็เป็นเรื่องของการสั่งสอนเป็นการหล่อหลอมจิตใจแต่ถ้าเขาไม่ทำตามก็ไม่อยากไปเสียใจเพราะเขาอาจจะ ม, มีนิสัยตรงกับการกระทำของเรา เช่นเราชอบทำบาปแต่เขาอาจจะมีนิสัยชอบทำบุญเขาก็จะไม่ทำบุญเขาก็จะไม่ทำบาปเหมือนเราทำบาปก็ได้หรือถ้าเราทำบุญแต่เขามีนิสัยชอบทำบาปเขาก็จะไม่ทำบุญกับตามเราก็ได้เพราะนี่เรื่องของจิตใจเรื่องที่ไม่ได้มาจากพ่อแม่จิตใจมีพ่อแม่ของเขาคือบุญและบาปเป็นพ่อแม่เรามีกรรม เป็นผู้ให้กำเนิดพ่อแม่ของเราคือจิตใจก็คือบุญและบาปนี่เป็นผู้ให้เราเป็นคนดีหรือเป็นคนชั่วอยู่ที่การทำบุญทำบาปของเราถ้าเราทำบุญเราก็จะเป็นคนดีถ้าเราทำบาปเราก็จะเป็นคนชั่วถ้าเราอยากจะเป็นคนดีแต่ตอนนี้เรายังทำบาปอยู่ เราก็เปลี่ยนได้ทุกครั้งที่อยากจะทําบาปเราก็ฝืนอย่าไปทําบาปทุกครั้งอยากจะฆ่าสัสตว์ก็ไม่ฆ่าทุกครั้งอยากจะลักทรัพย์ก็ไม่ลักทรัพย์ <scratch. S 1> ทุกครั้งที่จะประพฤติผิดประเวณีก็ไม่ประพฤติผิดประเวณีทุกครั้งที่อยากจะโกหกก็ไม่โกหกทุกครั้งที่อยากจะดื่มสุรายาเมาก็ไม่ดื่มเราก็จะเปลี่ยนนิสัยตัวเราได้ ตอนนี้นิสัยเราไม่ดีแต่ถ้าเราฝืนถ้าเรารู้ว่าไม่ดีไม่ควรทำแล้วเราพยายามต่อสู้กับมันไม่ทำตามมันต่อไปเราก็ไม่ต้องทำสิ่งที่ไม่ดีแล้วเราก็จะกลายเป็นคนดีขึ้นมาอันนี้คือเรื่องของจิตใจของพวกเราทุกคนเป็นอย่างนี้จิตใจของพวกเราที่ยังต้องมาเกิดอยู่ก็เพราะว่าเรายังมีความอยาก ในรูปเสียงกลิ่นรสต่างๆอยู่นั่นเองพ อ, อร่างกายนี้ตายไปแล้วความอยากนี้ก็จะพาให้เราไปหาร่างกายอันใหม่และก่อนที่จะไปหาร่างกายอันใหม่ก็ต้องแวะไปใช้บุญใช้บาปก่อนอถ้าเป็นวาระของการใช้บาปก็อาจจะต้องไปเป็นเดลฉานบ้างไปเป็นเปรตบ้างไปเป็นอสุรกายบ้างไปตกนรกบ้าง ถ้าเป็นวาระของบุญเราก็อาจจะไปเป็นเทพบ้างไปเป็นพรหมบ้างแล้วก็หลังจากที่บุญและบาปไม่มีกำลังที่จะดึงเราไปเขาก็จะปล่อยให้เรากลับมารับร่างกายของมนุษย์มาเกิดเป็นมนุษย์ใหม่พอมาเกิดเป็นมนุษย์ใหม่ถ้าเราไม่ได้เจอพระพุทธศาสนาเราก็จะทำเหมือนเดิมเราก็จะมา หาความสุขตามความอยากต่างๆอยากดูก็ไปดูอยากฟังก็ไปฟังอยากลิ้มรส ด, ดมกลิ่นอยากสัมผัสอะไรผ่านทางร่างกายก็ทำไปตามความอยากทำเท่าไหร่ความอยากมันก็ไม่หมดไม่อิ่มไม่พอก็ต้องทำไปจนวันตายนั่นแหละตายไปก็ต้องกลับมาเกิดใหม่แต่ถ้าเราได้มาเกิดในยุคที่มีพระพุทธศาสนา มีคำสอนของพระพุทธเจ้าเช่นสมัยนี้เราก็จะได้เรียนได้ฟังเรื่องของจิตใจของเราว่าเราทำไมถึงต้องมาเกิดแล้วทำไมเราต้องไปรับผลบุญผลบาปแล้วทำไมต้องกลับมาเกิดใหม่ก็เพราะว่าเรายังมีความอยากต่างๆอยู่อยากยังมีความอยากในรูปเสียงกลิ่นรสคือกามตัณหายังมีความอยากมีอยากเป็น อยากเป็นใหญ่อยากเป็นโตอยากสวยอยากงามอยากรูปหล่ออยากร่ำอยากรวยและและความอยากไม่เป็นก็มีอยากไม่แก่อยากไม่เจ็บอยากไม่ตายอันนี้ก็เป็นตัวที่จะผลักดันใจของเราให้กลับมาเกิดมาแก่มาเจ็บมาตายอยู่เรื่อยและเป็นตัวที่ผลักดันให้เราไปทำบุญและทำบาป ถ้าเราอยากมากๆแล้วเราไม่สามารถหาสิ่งที่เราอยากได้โดยไม่ทำบาปเราก็จะไปทำบาปกันแต่ถ้าเราสามารถหาได้โดยที่ไม่ต้องทำบาปและหาได้มามากกว่าที่เราต้องการจะใช้เราก็เอาไปทำบุญต่อพอเรามีเงินทองมากกว่าที่เราจะเก็บไว้ใช้ได้เราก็จะคิดทำบุญกันมีเงินก็อยากจะให้คนนั้นอยากให้คนนี้ ตอนต้นก็จะทำกับคนใกล้ตัวเราก่อนทำกับพ่อกับแม่ทำกับคนที่เรารักเมื่อทำแล้วก็ยังมีเหลือเฟืออยู่ก็จะไปทำต่อเห็นใครเขาทุกข์ยากเดือดร้อนก็สงสารเขาก็จะเอาเงินไปช่วยเหลือเขาก็ทำให้เราได้มีโอกาสได้ทำบุญแต่ถ้าถ้าไม่มีพระพุทธศาสนาเราก็จะทำได้เพียงเท่านี้ ทำบุญหรือทำบาป ท, ทำตามความอยากแล้วก็กลับมาเกิดตายไปก็ไปรับผลบุญผลบาปเสร็จแล้วก็กลับมาเกิดใหม่แต่ถ้ามาได้พบกับั้อธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าอย่างในชาตินี้เราก็จะได้ยินว่าการที่เราต้องมาเกิดอยู่เรื่อยๆนี้ก็เพราะเรายังมีความอยากอ ย, กอยู่ภายในใจยังอยากมี ความสุขทางตาหูจมูกนิ้นกายยังอยากสวยอยากงามอยากร่มอยากรวยอยากเป็นใหญ่เป็นโตยังอยากไม่แก่อยากไม่เจ็บอยากไม่ตายอยู่ถ้าเราไม่อยากจะกลับมาเกิดเป็นมนุษย์อีกต่อไปเราก็ต้องกำจัดความอยากเหล่านี้ออกไปให้หมดท้ยได้แล้วพระพุทธเจ้าเป็นผู้ทรง ส่งคนพบว่าการกลับมาเกิดก็เพราะความอยากเหล่านี้นี่เองและพระพุทธเจ้าก็สงคนพบวิธีที่จะทำให้เราหยุดความอยากต่างๆเหล่านี้ได้การที่เราจะหยุดความอยากนี้เราต้องมีธรรมที่จะมาสู้กับมันธรรมที่จะสู้กับความอยากเหล่านี้ได้เรียกว่าศีลสมาธิและปัญญาศีลก็ต้องเป็นศีลระดับของนักบวช คือศีลแปดขึ้นไปเพราะศีลแปดนี้จะห้ามไม่ให้เราไปหาความสุขทางตาหูจมูกนิ้วกายนั่นเองถ้าเราถือศีลแปดเราก็จะไปร่วมหลับนอนกับแฟนไม่ได้ถ้ายังถือศีลห้าอยู่นี่ยังร่วมหลับนอนกับแฟนได้อยู่ยังไม่ได้หยุดความอยากแต่ถ้าอยากจะหยุดความอยากนี้ก็จะต้องถือศีลแปดคือไม่ร่วมหลับนอนกับแฟน แล้วก็ไม่หาความสุขจากการรับประทานอาหารแบบไม่มีขอบเขตไม่มีเหตุมีผลคือไม่ให้รับประทานอาหารตามความอยากให้รับทานอาหารเท่าที่จำเป็นเช่นรับประทานวันละหนึ่งครั้งสองครั้งก็พอไม่ต้องรับประทานตลอดทั้งวันทั้งคืนให้รับประทานไม่เกินเที่ยงวันก็พอเพียงต่อการเลี้ยงดูร่างกายเพื่อที่จะได้เอาเวลา ที่ไปรับประทานอาหารนี้มาสู้กับความอยากต่างๆที่มีอยู่ในใจมากําจัดความอยากต่างๆที่มีอยู่ในใจด้วยการเจริญธรรมที่เรียกว่าสติเพราะสตินี้จะเป็นตัวที่จะสามารถหยุดความอยากได้แต่จะต้องมีเวลามาเจริญสติการจะมีเวลาเราก็ต้องหยุดกิจกรรม ที่เราใช้กับการหาความสุขทางร่างกายเช่นการรับประทานอาหารก็ต้องกําจัดให้รับประทานเพียงเที่ยงวันก่อนเที่ยงวันหลังจากเที่ยงวันแล้วก็ไม่ให้รับประทานนอกจากนั้นก็ยังไม่ให้ไปทํากิจกรรมทางตาหูจมูกลิ้นกายเช่นไปเที่ยวตามแหล่งท่องเที่ยวต่างๆไปตามสถานบันเทิงต่างๆตามโรงภา พ, พยนตร์โรงมหรสาโรงละคร ห้ามร้องรำทาเพลงห้ามไม่หายหาความสุขจากการแต่งเนื้อแต่งตัวแต่งกายแต่งหน้าแต่งตาแต่งผ้าแต่งผมด้วยเครื่องสำอางด้วยน้ํามันน้ําหอมอะไราต่างๆเพราะเป็นมันจะทาให้ไม่มีเวลามาเจริญสติจเจริญธรรมที่จะมาหยุดความอยากได้นั่นเองทำที่เราต้องเจริญนี่มีสองขั้นขั้นแรกเรียกว่าสติ ขั้นที่สองเรียกว่าปัญญาการที่เราจะเจริญสติจเจริญปัญญาได้เราต้องมีศีลแปดเป็นผู้สนับสนุนก่อนศีลแปดหรือศีล 10, สิบศีลสองร้อยี่สิบยี่ยี่เจ็ดอันนี้เป็นศีลที่จะมาสนับสนุนให้เราได้มีเวลามาเจริญสติหลังจากที่เรารับประทานอาหารกลางวันเสร็จแล้วเราก็จะมีเวลาว่างไปจนถึงเวลานอนเลย เราก็จะใช้เวลานี้มาเจริญสติกันมาพุโทโธพุโทโธกันตลอดเวลาไม่ว่าเราจะเดินจะนั่งจะนอนจะทำอะไรก็ตามเราจะพุโทโธพุโทโธไปเพื่อไม่ให้คิดเพราะถ้าเราหยุดความคิดได้เราก็จะหยุดความอยากได้ความอยากนี้จะต้องมีความคิดเป็นผู้นำถ้าเราไม่คิดความอยากก็เกิดขึ้นมาไม่ได้เช่นตอนนี้เราไม่มีความอยาก เพราะเราไม่ได้คิดถึงเรื่องที่จะทำให้เกิดความอยากแต่ถ้าเราไปคิดถึงเรื่องที่ทำให้เราเกิดความอยากเดี๋ยวความอยากก็เกิดตามมาได้เช่นไปคิดถึงขนมไปคิดถึงเครื่องดื่มไปคิดถึงคนนั้นคนนี้เดี๋ยวก็จะเกิดความอยากกินขนมอยากจะดื่มเครื่องดื่มอยากจะไปหาคนนั้นคนนี้ขึ้นมาคิดถึงละครก็อยากจะไปดูละครคิดถึงเพลงก็อยากจะไปฟังเพลงขึ้นมา แต่ถ้าเราควบคุมความคิดไม่ให้คิดได้ความอยากมันก็จะเกิดขึ้นมาไม่ได้แล้วถ้าเรานั่งเฉยๆ เ, เราก็จะสามารถทำให้ใจยหยุดคิดได้เวลาใจยหยุดคิดแล้วนี่เราก็ไม่ต้องทำอะไรเพราะว่าใจเหมือนกับรถเวลารถยังไม่หยุดเราก็ต้องคอยเหยียบเบรคพอรถจอดแล้วหยุดแล้วเราก็ไม่ต้องเหยียบเบรครถมันก็จะไม่วิ่งไปไหน เวลาเรานั่งสมาธิเราใช้สติควบคุมเช่นคําบริกรรมพุทธโธพุทธโธนี้เป็นตัวสติที่เราจะใช้ในการหยุดความคิดถ้าเราสามารถหยุดความคิดได้ใจก็จะนิ่งใจก็จะหยุดคิดหยุดอยากแล้วพอความคิดความอยากหายไปความสุขอันมหาจัจจานใจก็ปรากฏขึ้นมาจะทําทให้เรามีความสุขมาก จะทำให้เราไม่ต้องไปหาความสุขจากรูปเสียงกลิ่นรสอีกต่อไปนี่แหละคือการเจริญสติเพื่อให้เราได้พบกับความสุขที่มีอยู่ในตัวเราที่จะทําให้เราไม่ต้องไปหาความสุขจากรูปเสียงกลิ่นรสต่างๆแต่เป็นความสุขชั่วคราวพอเราออกจากสมาธิมาพอเราไปคิดถึงคนนั้นคนนี้คิดถึงเรื่องนั้นเรื่องนี้ ความอยากมันก็ยังจะโผล่ขึ้นมาได้อยู่เพราะสตินี้เพียงแต่กดมันไว้เป็นเหมือนหินทับหญ้าเห็นเวลาทับหญ้ายากมันหญ้ามันก็งอกขึ้นมาไม่ได้แต่พอเราเอาหินออกห็นที่ทับหญ้าออกไปทิ้งไว้สักพักเดีย๋ยวหญ้ามันก็งอกขึ้นมาได้ถ้ามันได้รับน้าได้รับอะไรต่างๆเพราะรากมันยังไม่ตายฉันดรากของความอยากมันไม่ได้ตาย มันเพียงแต่ถูกกําลังของสติกดเอาไว้ทําให้มันไม่สามารถโผล่ขึ้นมาได้แต่พอสติอ่อนกําลังลงพอออกออกจากสมาธิมาก็เกิดความคิดต่างๆขึ้นมาเราเกิดความคิดขึ้นมาก็จะเกิดความอยากขึ้นมาถ้าอยากจะกําจัดความอยากอย่างถาวรก็ต้องกําจัดตอนนี้ตอนที่เกิดความอยาก และสิ่งที่จะกาจัดความอยากได้ก็คือปัญญาของพระพุทธเจ้าหรปัญญาของพุทธเจ้าคืออะไรคือการเห็นว่าถ้าเราทำตามความอยากความอยากมันก็จะไม่มีวันหมดมันจะมีต่อมาเรื่อยๆอยากทําอะไรพอได้ทําแล้วเดี๋ยวก็อยากจะทําอีกพออยากดูอะไรพอได้ดูแล้วเดี๋ยวก็อยากจะดูอีกวิธีที่จะทาให้มัน หายไปก็คือต้องไม่ทำตามมันมันอยากดูก็ไม่ดูสู้กับมันมันอยากทำอะไรก็ไม่ทำววิธีที่จะสู้กับมันได้ก็ต้องรู้ว่าสิ่งที่เราอยากได้นี้มันจะทำให้เราทุกข์ไม่ใช่ทำให้เราสุขเพราะสิ่งที่เราได้มาเดี๋ยวมันจะต้องมีการหมดไปมีการจากเราไปเช่นอยากได้สิ่งนั้นสิ่งนี้มาให้ความสุข พอได้มาก็ดีใจแล้วเดี๋ยวพอสิ่งนั้นสิ่งนี้หายไ ป, ห, ยไปหรือตายไปจากเราไปเราก็จะร้องหม่มร้องไห้กันนี่เราต้องรู้สองอย่างรู้ว่าการทำตามความอยากจะไม่ได้ทำให้ใจเราสงบมีความสุขทำให้ใจเราวุ่นวายและสิ่งที่เราได้จากการกระทำตามความอยากมันก็เป็นความสุขชั่วคราวแล้วเดี๋ยวไม่ช้าก็เร็วก็จะต้องมีการพัดพรางจากกัน หรือมีการเปลี่ยนไปสิ่งที่เราได้มาใหม่ๆมันดีไปหมดแต่พอใช้ไปใช้ไปอยู่กับมันไปสักพักเดี๋ยวมันก็เปลี่ยนได้เปลี่ยนจากดีไปกลายเป็นไม่ดีได้พอมันเปลี่ยนเป็นไม่ดีเราก็เสีย อ, อกเสียใจเช่นแฟนเนี่ยเวลาใหม่ๆได้มาก็ดีไปทุกอย่างแต่พอได้มาแล้วพอมาอยู่ด้วยกันไปสักพักแล้วเดี๋ยวเขาก็เปลี่ยนไปเขาเคยดีก็กลายเป็นไม่ดีขึ้นมา พอาะเขาไม่ดีก็เสีย อ, อกเสียใจเนี่ยเราต้องเห็นว่าสิ่งที่เราอยากได้นี้มันจะต้องมีการเปลี่ยนไปมีการหมดไปความสุขที่ได้จากเขาก็จะหายไปหมดไปแล้วสิ่งที่จะมาแทนที่ก็คือความทุกข์นี่คือปัญญาให้เราเห็นว่าถ้าเราไปทําตามความอยากเราจะต้องไปเจอกับความทุกข์ไม่ช้าก็เร็วแล้วความอยากที่เราได้มันก็ไม่หมด พออยากแล้วก็อยากจะได้อีกพอเสียคนนี้ไปเดี๋ยวก็ไปหาคนใหม่อีกพอเสียสิ่งนี้ไปความอยากจะได้สิ่งนี้ก็ยังอยากได้อยู่ก็จะไปหาใหม่อีกและการไปหาก็ต้องลำบากยากเย็นอีกเหน็ดเหนื่อยเมื่อยล้ากว่าจะได้มาแล้วถ้าไม่ได้ก็เสียอกเสียใจอีกถ้าไม่ไปทำตามความอยากได้ความทุกข์ต่างๆเหล่านี้ก็จะไม่มี นะถ้าไปทำตามความอยากความอยากมันก็จะพาเราไปเกิดแก่เจ็บตายใหม่พอเวลาร่างกายนี้ตายไปความอยากมันยังไม่ตายไปกับร่างกายอันนี้ความอยากมันอยู่กับใจมันก็จะพาเรากลับมาเกิดแก่เจ็บตายใหม่ถ้าเรามีปัญญาเห็นอย่างนี้แล้วทุกครั้งที่เกิดความอยากนี่เราก็จะสามารถหยุดความอยากได้เช่นเวลาเราอยากจะมีแฟน ถ้าเราเห็นว่าเขาไม่สวยเขาไม่น่ารักเราก็จะไม่อยากได้วิธีที่จะเห็นแฟนเราไม่สวยไม่น่ารักเห็นอย่างไรก็ต้องเห็นอวัยวะต่างๆภายในร่างกายของเขาเช่นมองเข้าไปข้างใต้มองเข้าไปใต้ผิวหนังถ้าเรามองเข้าไปใต้ผิวหนังเราก็จะเห็นโครงกระดูกเห็นกะโหลกศีรษะเห็นปอดเห็นหัวใจเห็นตับเห็นไตเห็นลำไส้ เห็นอะไรต่างๆที่ไม่น่าดูน่าชมถ้าเรานึกถึงรูปภาพของเขาที่มีอยู่ภายในร่างกายของเขาอยู่ภายใต้ผิวหนังของเขาได้เวลาเราอยากจะได้เข้ามาเป็นแฟนเราก็จะเปลี่ยนใจทันทีไม่เอาดีกว่าเราไม่ได้เอาของสวยของงามมาเลยเราเอาแต่โคงเอาเราเอาเราเอาโคงกระดูก เอากะโหลกสีสษเอาปอดเอาหัวใจเอาตับเอาไตาเอาออมไส้เข้ามาต่างหากถ้าเรามองอย่างนี้ได้ความอยากจะมีแฟนมันก็จะหายไปเราก็จะอยู่คนเดียวได้อยู่แบบไม่ทุกข์อยู่แบบไม่เหงาเพราะเราจะไม่มีความอยากมีแฟนนั่นเองความเหงาความเศร้าความเศร้าสร้อยงอยเหงาความว้าเหวมันเกิดจากการจากการมีความความอยากมีแฟนเท่านั้นเอง แต่พอเราหยุดความอยากมีแฟนได้เพราะเราเห็นว่าแฟนนี้มันเป็นเหมือนอของน่าเกลียดน่ากลัวเราก็จะไม่อยากได้พอไม่มีความอยากได้เราก็จะอยู่คนเดียวแบบไม่เหงาเพราะเราจะอยู่กับความสงบเวลาไม่มีความอยากใจของเราก็จะสงบแล้วก็จะมีความสุขเหมือนกับขณะที่เรานั่งสมาธินี่คือเรื่องของปัญญาที่เราจะต้องใช้ ถ้าเราอยากจะกำจัดความอยากอย่างถาวรถ้าเราใช้สติก็กำจัดแบบหินทับา้าหยุดมันไว้ชั่วคราวขั้นต้นเราก็ต้องใช้สติก่อนเพราะว่าสติมันง่ายกว่าปัญญาถ้าใช้ปัญญาได้ก็ใช้ไปเลยแต่ถ้ายังใช้ปัญญาไม่เป็นก็ต้องฝึกสติมาก่อนก็เพียงแต่ละลึกคำว่าพุโทโธพุโทโธไปต่อสู้กับความคิดอย่าปล่อยให้มันคิด มันคิดเรวก็พุโทโธพุโทโธไปอย่าไปตามคิดเ่ยให้คิดให้ตามพุโทโธไปเรื่อยๆแล้วเดี๋ยวความคิดมันก็จะหายไปแล้วถ้าเรานั่งเฉยๆจิตก็จะนิ่งจะสงบแล้วก็จะเกิดความสุขอันมหัศจรรย์ใจขึ้นมาแล้วมันจะทาให้เรารู้ว่าความสุขที่แท้จริงนี้อยู่ที่ตรงนี้เองอยู่ที่ความสงบของใจเราก็จะได้มีเหตุผลว่าทาไมเราจะไม่ไป ทำตามความอยากอีกต่อไปเพราะการไปทําตามความอยากมันนําไปสู่ความทุกข์ความวุ่นวายใจความเสียใจความผิดหวังความเศร้าสร้อยเหงาหงอยเหงาความว้าวเวความทุกข์ต่างๆนานาชนิดนี้มันเกิดจากความอยากเทั้นั้นและการที่เราจะต้องกลับมาเกิดมาแก่มาเจ็บมาตายต่อไปเรื่อยๆก็เกิดจากความอยากเองถ้าเราเห็นด้วยปัญญาทุกครั้งที่เกิดความอยากเราก็จะสู้กับมัน สู้ด้วยการไม่ทําตามความอยากถ้าใจมันสั่นก็ใช้สมาธิหยุดมันเข้าไปในสมาธิพักจิตให้สงบความสัน่นความทรมานใจที่เกิดจากความอยากมันก็จะหายไปแล้วเราก็ไม่ต้องไปทําตามความอยากต่อไปความอยากก็จะไม่มีหลงเหลืออยู่ภายในใจของเราอีกต่อไปพอไม่มีความอยากแล้วใจของเราก็จะสงบไปตลอดเวลา มีความสุขไปตลอดเวลาโดยที่ไม่ต้องเข้าไปในสมาธิไม่ต้องเดินจงกรมไม่ต้องนั่งสมาธิพระพุทธเจ้าพาาระอรหันต์นี้ท่านไม่ต้องเดินจงกรมไม่ต้องนั่งสมาธิที่ท่านเดินหรือนั่งนี้เพื่อเป็นการพักผ่อนร่างกายเพื่อเป็นการเปลี่ยนนิรยาบทร่างกายเท่านั้นแต่ใจของท่านนี้ไม่ต้องพักไม่ต้องผ่อนใจของท่านมีความสงบมีความสุขตลอดเวลา อาจจะต้องพักการทํางานของใจเอพราะเวลาทํางานกระใจก็เหนื่อยได้เช่นพระพุทธเจ้าก็ยังใช้ใจมาทํางานอยู่ใช้ใจมาแสดงธรรมาสั่งสอนมาสั่งสอนพระเนนสั่งสอนญาติโยมก็ต้องใช้ใช้ความคิดใช้มากๆก็เหนื่อยได้เหมือนการเหนื่อยใจแต่ไม่ได้ทุกใจไม่ได้เดือดร้อนใจก็ตั้งพักในสมาธิบ้างเดินจงกรมบ้างหยุดความคิดชั่วคราวะ แล้วใจก็จะเย็นใจจะสบายใจก็จะมีพลังแายความทุกข์ความเดือดร้อนใจนี้ไม่มีไม่ว่าจะเข้าสมาธิหรือไม่เข้าสมาธินี่คือเรื่องของการมาฟังเทศฟังธรรมประโยชน์ที่เราจะได้รับจากการฟังเทศฟังธรรมทำให้เราได้ยินได้ฟังธรรมที่เราไม่เคยได้ยินได้ฟังมาก่อน การทที่เราเคยได้ยินได้ฟังแล้วก็จะเกิดความเข้า อ, อกเข้าใจดีขึ้นไปตามลำดับจะทำให้เรากำจัดความลังเลสงสัยเกี่ยวกับเรื่องเวียนว่ายตายเกิดได้เกี่ยวกับเรื่องนรกสวรรค์ได้เกี่ยวเรื่องมรรคผลนิพพานได้จะทำให้เราเกิดปัญญาเกิดสัมมาทิฏฐิเห็นเห็นความจริงว่าผู้ที่เวียนว่ายตายเกิดก็คือจิตใจผู้ที่ไปรับผลบุญผลบาปก็คือจิตใจ ผู้ที่หลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดก็คือจิตใจและขนาดฟังธรรมใจเราก็สงบเย็นสบายมีความสุขนี่คือประโยชน์สุขที่จะได้รับถ้าเราฟังธรรมแบบลิ้นกับแกงคือฟังด้วยกายวาจาใจที่สงบจึงขอฝากเรื่องของการฟังเทศฟังธรรมเรื่องของมงคลที่จะเกิดจากการฟังเทศฟังธรรมนี้ให้ท่านได้นําเอาไปพินิจพิจารณาเอาไปปฏิบัติ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 กิตตังปะฏิตังต um ุมหังคิดเป้เมวะสมิชฉตุสัพเพปเรนตุสังกปาจันโทปนะระโสยธามณนโชติระโสยธาสัพ so พิติโยวิวัจัน so ตุสัพพโรโควินัสตุมาเตภวตวันตระโยสุขีทีขายุโกภวะ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 ให้ถามได้ไปจนถึงเวลาที่เราเลิกประชุมแต่หลังจากเลิกประชุมแล้วขออนุญาตงดถามตอบถ้าไม่ขึ้นมาถามเองจะส่งเขียนข้อความส่งขึ้นมาถามก็ได้วันนี้ทางบ้านมีเท่าไหร่การนมรดกการพิธีการย์รครับวันนี้ผู้ติดตามทาง a c e b o o k มีทั้งหมด313คนผู้ติดตามทาง youtube มีทั้งหมด106คน ผู้ติดตามทางเรดิโอมีทั้งหมดห้าคนผู้ติดตามในประเทศไทยเพิ่มจังหวัดพุทธาหารเข้ามาวันนี้เป็นห้าสิบเจ็ดจังหวัดผู้ติดตามต่างประเทศวันนี้เพิ่มประเทศไอร์แลนด์เข้ามาเพิ่มเป็นสาสิบสาประเทศครับผมโ okay. อเคมีใครอยากจะถามก็ถามได้ถ้ายังไม่มีใครถามก็จะเอาคําถามจากทางบ้านถามมาก่อน อ่าเียอ่อจอยาจายน่กถามว่าบางครั้งเราทําสมาธิได้นะคะบางครั้งเราทําสมาธิจิตไม่สงบจิตไปอยู่ตรงนั้นตรงนี้ตรงอื่นอะไรเงี้ยะค่ะกว่าจะเรียกกลับมาก็อืมเรียกมาได้เดี๋ยวก็ไปอีกนะคะสะติเรายัางไม่ยังไม่ต่อเนื่องสติยังล้มลุกคุกคานอยู่ เวลามีสตินั่งจิตก็จะนิ่งพอไม่มีสติจิตก็จะคิดคิดเรื่องน้นคิดเรื่องนี้นนยังต้องพยายามฝึกสติก่อนที่จะมานั่งฝึกไปเรื่อยๆให้มันติดเป็นนิสัยคือพุโทโธพุโทโธไปทั้งวันลืมตาขึ้นมาก็พุโทโธพุโทโธไปทำอะไรที่ไม่ต้องใช้ความคิดก็อย่าไปคิดให้ใช้พุโทโธถ้ามันคิดก็ใช้พุโทโธหยุดมัน ให้อยู่กับงานที่เราทำอาบน้าก็อาบน้าล้างหน้าแปรงฟันก็ล้างหน้าแปรงฟันไปอย่าไปคิดถึงคนนั้นคนนี้เรื่องนั้นเรื่องนี้ <c oughs> ถ้าคิดก็ใช้พุทธโธพุทธโธพุทธโธหยุดมันถ้าเรามีสติแล้วเวลานั่งมันก็จะไม่ไปคิดถึงคนนั้นคนนีน้เรื่องนั้นเรื่องนี้น <c oughs> ที่คิดก็เพราะตอนนั้นไม่มีสติ <c oughs> เห็ันต้องพยายามฝึกสติให้มากๆ <c oughs> มีท่านคุณผู้หญิงนั่งอยู่ตรงนั้นอยากจะถามปัญหาเลย ที่ต้องบนไดอ่ะอ่าไม่มีก็ถามได้คําถามจากทางบ้านจากคุณถ้วยฟูพอนั่งไปแล้วคําบริกรรมพุโทโธใจเราสัมผัสว่าค่อยๆจางลงจางลงรู้สึกเหมือนคําบริกรรมไม่มีตัวตนเลยไม่รู้จะกําหนดอะไรต่อนั่งอยู่พักหนึ่งก็ถอยออกมาคิดอันนี้ต้องทําอย่างไรต่อครับก็ต้องดึงพุโทโธกลับ ม, มา เวลามันจางแสดงว่ามันเริ่มเริ่มหมดกําลังเราก็ต้องเหมือนรถเราก็ต้องเหยียบคันเร่งเราก็ต้องพุทโธขึ้นมาบังคับให้มันพุทโธพุทโธขึ้นมาแสดงว่ามันจะเริ่มเผลอละมันจะเริ่มหยุดพอมันเริ่มพอมันหยุดพุทโธความคิดมันก็จะเข้ามาฉั้นต้องพยายามดึงพุทโธให้มีพุทโธไปเรื่อยๆจนกว่าจิตมันจะรวมแล้วพุทโธมันก็หมดความจาเป็นไป ถ้าจิตยังไม่รวมยังไม่นิ่งก็ต้องพุโทโธไปเรื่อยๆถ้ามันเริ่มหายไปแสดงว่าสติเริ่มหายแล้วก็ต้องดึงมันกลับมาพุโทโธพุโทโธต่ออย่าหยุดพุดโทโธคำถามจากแม่ของแมวน้อยถ้วยฟูหนูเป็นคาทอลิกแต่หนูมีโอกาสได้ฟังคำเทศนาของพระอาจารย์พระเยซูเจ้าสอนให้รักเพื่อนมนุษย์เหมือนรักตัวเอง แต่ในความเป็นมนุษย์ธรรมดาในทุกวันบางครั้งมันยากที่จะรักและให้อภัยถ้าในทางพุทธพระอาจารย์ช่วยสอนธรรมะให้หนูมีกําลังใจที่จะให้อภัยผู้อื่นที่จะละทิ้งความโกรธในใจด้วยค่ะถ้าเรายัางให้อภัยไม่ได้ก็อย่าไปคิดถึงเรื่องที่ทําให้เราโกรธนะใช้พุทธโธพุทธโธหรือใช้คําพระเยซูก็ได้บริกรรมเยซูเยซูไป อย่าให้ไปคิดถึงคนเรื่องเรื่องที่ทําให้เราโกรธแล้วเราก็จะลืมเรื่องนั้นไปแล้วเราก็จะหายโกรธพอเราหายโกรธแล้วต่อไปเวลาเราคิดเราก็จะให้อาภัยได้เพราะเราจะเห็นว่าการให้อาภัยนี้จะทําให้ใจเราสงบใจเราไม่โกรธ ถ, ถ้าเรายังโกรธอยู่ทุกครั้งที่เราคิดถึงเขาเราก็ยังจะโกรธอยู่แต่ถ้าเราให้อาภัยเขาแล้วถือว่ามันผ่านไปแล้วเหตุการณ์มันย้อนกลับไปไม่ได้ เอามาคิดเอามาโกรธก็โง่ไปเปล่าๆสู้หยุดคิดหยุดโกรธ ด, ดีกว่าแล้วเราเคได้เป็นเพื่อนกันได้จะได้รักกันได้ต่อไปคำถามจากคุณลีกาจเจริญวิปัสสนามาถึงสังขารุเปกขายานแล้วหยุดปฏิบัติเนื่องจากมีกิจทางโลกต้องลาสิขาทุกวันนี้นั่งสมาธิบ้างไม่นั่งบ้างสภาวะธรรมเริ่มเสื่อมไป ถามว่าถ้ากลับมาปฏิบัติใหม่ให้สุดกําลังจะถึงมรรคผลนิพพานได้หรือไม่และบาปไหมที่หยุดกลางคันคะ อ, อ๋อหยุดไม่บาปหรอกหยุดก็เพียงแต่ไม่ได้ทําบุญนั้นเองการปฏิบัตินี้ถือว่าเป็นการทําบุญพอหยุดก็ไม่บาปจะบาปก็ต่อเมื่อไปกินเหล้าไปทําบาปแต่ถ้าหยุดแล้วไม่ได้ไปทําบาปก็ไม่บาปเพียงแต่ว่าไม่ได้บุญ ถ้ากลับมาเริ่มทําใหม่แล้วตั้งใจทําทําอย่างสุดๆไม่ช้าก็เร็วก็บรรลุได้เหมือนกันคําถามจากคุณนาตยาเวลานั่งบางครั้งดูลมหายใจบางครั้งก็ภาวนาพุโทโธแบบนี้ดีหรือไม่คะหรือควรทําแบบเดียวเวลานั่งก็ควรจะเอาแบบเดียวแต่เวลานั่งเวลาอื่นจะเปลี่ยนก็ได้เช่นคราวนี้เราพุโทโธคราวหน้าเราอยากจะลองดูลมก็ได้ แต่เวลาเอาอย่างไหนก็เอาอย่างเดียวถ้าเราใช้พุโทโธตอนที่เรานั่งตอนนี้ก็พุโทโธไปอย่างเดียวพรุ่งนี้ถ้าเรานั่งใหม่แล้วอยากจะลองดูลมก็ลองดูลมได้เพื่อเราจะได้รู้ว่าอย่างไหนเหมาะกับเราถูกกับเราหรือบางวันวันนี้ใช้พุโทโธไม่ถูกอาจจะลองเปลี่ยนเป็นดูลมก็ได้แต่ต้องมีเหตุมีผลอย่าไปเปลี่ยนเพราะาอยากจะเปลี่ยน คำถามจากคุณคิดขู่บาปอะไรเจ้าคะ่ะถึงทําให้ไม่มีงานทําทั้งที่หางานไม่หยุดแต่กลับถูกปฏิเสธจากผู้ใหญ่เจ้าคะ่ะเรื่องการหางานนี่มันก็เป็นเรื่องของความไม่แน่นอนไม่เกี่ยวกับเรื่องบาปหรือบุญถ้ามีงานไปหาไปเจอที่เขาต้องการคนมันก็ได้งานถ้าไปหาที่ที่เขาไม่ต้องการมันก็ไม่ได้งาน เพราะฉะนั้นมันไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องบาปหรือบุญต้องก็ต้องอาศัยความพยายามพยายามอยู่ที่ไหนความสำเร็จอยู่ที่นั่นวันนี้หาไม่ได้พวกนี้ก็หาต่อหามันไปเรื่อยๆเดี๋ยวไม่ช้าก็เร็วก็ได้ขอให้อย่าเลือกงานเท่านั้นเองถ้าไม่เลอกงานวันนี้ก็หาได้แล้วงานบวชนี้ก็เป็นงานอย่างหนึ่งบวชได้ทันทีเลยไม่มีใครห้าม ถ้าเรื่องงานก็หายากถ้าไม่เรื่องงานนี่ง่ายคำถามจากคุณมาม่าคิมมี่สามีเป็นมิชฉาทิถีดิฉันจะไปทำบุญต้องโกโหกว่าไปเที่ยวแต่ดิฉันไปถือศีลแปดบาปไหมเจ้าคะแล้วควรทำอย่างไรเจ้าคะถ้าบาปเพื่อไปทำความดีก็ไม่เป็นไรแล้ว แล้วถ้าคนอื่นเขาไม่เสียหายไม่เดือดร้อนไปไม่ทำให้เขาเสียหายหเดือดร้อนเราทําบาปเราโกหกเพื่อไปทำความดีไม่เป็นไร อ, อย่ากโกหกแล้วไปทำความชั่วก็แล้วกันโกหกเมย์ว่าไปทำงานแล้วก็อไปมีชู้อย่างเงี้ยได้แบบนี้ไมค่ะำถามจากคุณสุ ข, ขุมอาชีพเล่นหุ้นมีการซื้อขายหุ้นเช่นซื้อมาถูกขายแพง อาชีพนี้เป็นสัมมาอาชีพใหม่ครับเป็นไ ม, ม่นก็เหมือนซื้อขายที่ดินเน่ซื้อข้าวซื้อของก็เหมือนกันร้านเขาซื้อของมาก็เขาก็ซื้อถูกแล้วก็ขายแพงไม่งั้นเขาจะเอากำไรที่ไหนอ่ะมันเป็นเรื่องธรรมดาของการค้าขายคำถามจากคุณนิตาจะทำอย่างไรให้จิตนิ่งได้เจ้าค ะ, ะก็ต้องมีสติคอยกำกับความคิดควบคุมความคิด อย่าปล่อยให้คิดถ้าหยุดความคิดได้จิตก็นิ่งเช่นให้บริกรรมพุทธโธพุทธโธไปได้เรื่อยๆอย่าเดี๋ยวมันก็ไปคิดเรื่องอื่นไม่ได้แต่ต้องใช้ความพยายามหน่อยอย่าพุทธโธเพียงส3งส า, สงสาครั้งแล้วก็หยุดมันจะไม่ได้ผลบางทีมันต้องพุทธโธไปครึ่งชั่วโมงอย่างเงี้ยมันถึงจะหยุดได้ขอให้ทำไปจนกว่าจะหยุดคิดพอหยุดคิดแล้วเราก็หยุดพุทธโธได้พอมันเริ่มคิดเราก็พุทธโธใหม่ คำถามจากคุณอุษาในขณะที่นั่งฟังหลวงพ่อเทศก็บริกรรมพุโทโธไปด้วยแต่ก็ยังสามารถฟังหลวงพ่อได้ผิดหรือไม่คะมันก็จะทําให้ใจเป็นสองใจอยู่กับพุโทโธแล้วก็ใจฟังเทศมันก็จะอาจจะฟังไม่เข้าใจฟังไม่ต่อเนื่องควรจะเอาอย่างใดอย่างหนึ่งถ้าจะต้องการสั่งเทศก็ไม่ต้องพุโทโธใจการสั่งเทศก็จะทําให้ใจสงบได้ น่าจะดีกว่าการพุโทโธเพราะว่าจะได้ปัญญาได้สัมมาทิฐิคำถามจากคุณแมวข้าวของข้าพเจ้าขาวดั่งดอกบวัวยกขึ้นทูลหัวตักบาตรพระสงฆ์ตรงไปนิพพานขอให้พบดวงแก้วขอให้แคล้วปวงมารขอให้พบพระสีอารณะปัจโยโหตุเวลาใส่บาตรหนูจะท่องบทนี้ก่อนทุกครั้งถูกต้องไหมคะ คุณยายสอนคุณแม่<อ>คุณต่อมาคุณแม่สอนหนูอีกสามช่วงอายุแล้วค่ ะ, ะท่องไปกระทนั่นน่จะได้ไม่ได้ไม่ไม่ได้อยู่ที่ทอ่องเพราะว่าของบางอย่างท่องไปมันก็ไม่ได้ถ้ามันไม่อยู่ในวิสัยที่จะได้ของบางอย่างมันจะได้ไม่ต้องท่องมันก็ได้ดังนั้นต้องดูที่เหตุเหตุของการทำบุญนี้คือความสุขใจ อ, อันนี้จะได้แน่ๆไม่ต้องขอก็ได้ แต่จะขอไปนิพพานไปขอพบกับพระสีอานด้วยการทำบุญนี่ก็ไม่แน่นอนอาจจะพบก็ได้อาจจะไม่พบก็ได้คาถามจากคุณแพลวนภาดูลมหายใจก่อนนอนแล้วหลับไปได้ไหมคะได้ก็เป็นวิธีนอนหลับเท่านั้นเองไม่ได้เป็นวิธีทำสมาธิแต่อย่างใดคำถามจากคุณปัตตานันถ้าเราจะต้องมาเกิดเป็นมนุษย์อีก อะไรเป็นตัวกำหนดว่าจะมาเกิดในครอบครัวที่จิตใจดีหรือไม่ดีจนหรือรวยมีโรคภัยแต่กำเนิดทีโคนพิการหรือครบสามสิบสองครับบุญบาปเป็นตัวบ่งชี้หรือครับก็บุญบาปก็มีส่วนถ้าเราทำบุญโอกาสที่เราจะได้พบกับคนใจบุญก็มีมาก ทำบาปโอกาสที่จะได้พบกับคนใจบุญก็จะมีน้อยเพราะบุญกับบาปมันไม่เข้ากันเหมือนน้ํากับ น, น้ํามันเนี่ยลองใส่เข้าไปในขวดเดียวกันนแล้วลองเขย่าให้มันปนกันมันจะไม่ปนกันอน้ําก็จะแยกไปสู่น้ําอน้ํามันก็จะอยู่กับพวกน้ํามันนพวกที่ชอบทําบาปก็มักก็จะไปเจอกันแต่ก็ไม่แน่เสมอไปบางครัง้งบางคราวมันก็อาจจะมีกรณีที่มัน พิเศษมันมันมันผิดปกติคนดีอาจจะไปเกิดกับคนที่ไม่ดีก็ได้และเป็นเช่นเดียวกับการทางตรงกันข้ามคนไม่ดีไปเกิดกับคนดีก็มีเพราะฉะนั้นเรื่องอันนี้มันไปกําหนดไม่ได้ก็ปล่อยให้มันเป็นไปข้อสำคัญเขาให้เราดีไว้ก็แล้วกันถ้าเราดีถึงแม้เราจะไปอยู่กับคนไม่ดีเขาก็ไม่สามารถที่จะมาทําให้เราไม่ดีได้แล้วความดีจะปกป้องคุ้มครอง ให้เราอยู่กับเขาได้อย่างไม่เดือดร้อนคําถามจากคุณจ่องแจงจากการปฏิบตัติการปลีกวิเวกอยู่คนเดียวมีผลดีกับการปฏิบัติมากๆแต่เวลาลางานมีจํากัดเราควรเลือกปลีกวิเวกจํานวนน้อยวันให้บ่อยๆแต่ต่อเนื่องหรือให้ปลีกวิเวกนานๆครั้งแต่อยู่นานๆดีคะก็ได้ทั้งนั้นนหะแล้วแต่เราจะทําได้ทําแบบไหนก็ทําไป ขอให้มันได้ไปปีกวิเวกกัแล้วกันวิธีที่จะได้ปีกวิเวกบ่อยๆก็ลดการทํางานให้น้อยลงอาจจะต้องเปลี่ยนงานเช่นแล้วทางานประจําต้องไปทุกวันเสาร์หยุดเฉพาะวันเสาร์อาทิตย์เราก็ลองเปลี่ยนอาชีพมาเป็นอาชีพอิสระขายประกันขายเครื่องสำอางขายลอตเตอรี่ก็ได้เราก็จะได้เลือกวันทํางานได้วันนี้อยากจะไปปีกวิเวกก็ไม่ต้องขาย ถ้าเราต้องการทำเราเราจะไม่ต้องต้องการเงินมากถ้าเราปฏิบัติธรรมเราไม่ต้องใช้เงินมากเราก็สามารถเลือกงานได้ถ้าเรายังต้องใช้เงินมากมันก็จะไม่สามารถเลือกงานได้เราก็จะไม่มีเวลาปฏิบัติธรรมคาถามจากคุณรู้จีในขณะที่กำลังนั่งอยู่ในรถกำลังเดินทางอยู่ลูกนั่งหลับตาท่องพุโทโธไปด้วย ไม่ทราบว่าถือเป็นการอยู่ในสมาธิหรือไม่คะคือนั่งจนถึงที่หมายค่าประมาณครึ่งชั่วโมงและระหว่างทางก็มีแกว่งไป บ, บ้างแต่ก็ดึงกลับได้ทุกครั้งและรู้สึกได้ถึงความนิ่งและสงบ ค, คะ่ะแบบนี้ถือเป็นการนั่งสมาธิไหมคะเป็นถ้าเราควบคุมใจด้วยพุทโธนั่งหลับตาไม่ไปคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้ก็กําลังนั่งสมาธิอยู่ แต่ว่ามันจะได้สมาธิเต็มที่หรือไม่ก็ขึ้นอยู่กับกําลังของสติและขึ้นอยู่กับ เ, เหตุการณ์ที่เราอยู่ถ้าเหตุการณ์รอบข้างเรามันไม่สงบโอกาสที่จะจิตให้สงบเต็มที่ก็คงจะเป็นไปได้ยากเช่นอยู่ในรถก็ยังมีการเคลื่อนไหวมีเสียงอะไรต่างๆแต่ก็ยังดีกว่านั่งแล้วก็ไม่ได้พุโทโธนั่งไม่ได้หลับตาเพราะมันจะทําให้ใจคิดแล้วจะทําให้ใจฟุ้งซ่านขึ้นมาได้ เดี๋ยวว่าเป็นการปฏิบัติที่ดีนั่งรถไปถ้าเราไม่ต้องขับรถเองเราก็นั่งสมาธิไปความสงบจะได้มากได้น้อยก็ดีกว่าไม่ได้เลยคำถามจากคุณเทวีเวลาฟังธรรมใจผ่องแผ้วแต่เวลาไปเจอเหตุขัดใจมันควบคุมไม่ค่อยได้เจ้าคะ่ะเพราะตอนนั้นเราไม่มีสติไงยันน้อยหลังจากเราออก ออกจากการฟังทาแล้วเราก็ต้องมาพุโทโธพุธโทโธคอยควบคุมใจต่อไปอย่าปล่อยให้ใจคิดแล้วถ้าเวลาเจอเหตุการณ์ที่ทำให้เราวุ่นวายใจเราก็ใช้พุโทโธหยุดมันได้พอใจเริ่มวุ่นวายใจเราก็กลับมาหาพุโทโธพุธโทโธพุธโทโธอย่าส่งใจไปหาเรื่องที่ทำให้เราวุ่นวายเดี๋ยวความวุ่นวายใจก็จะหายไปส่งไมโครโฟนให้เขาไปไม่ต้องขึ้นมาแล้ว พูดใกล้ๆใหม่ท่านพระอาจารย์สุชาติครับผมมีเรื่องจะถามครับถามสิการเกิดของมนุษย์นั้นผมคิดว่ามันมีเป็นไปได้สองทางคือหนึ่งทางวิทยาศาสาตร์เกิดของเชื้อจลินีเี็กเล็กๆที่ก่อตัวเป็นมนุษย์และสองทางบนและบาบผู้มีอั ต, ตาภาพจะมาเกิดร่วมกันถ้าหากได้ทำบนร่วมกันในชาติก่อนครับ อ่อก็ไม่แน่เรื่องการจะมาเกิดร่วมกันนี้มันเหมือนกับเวลาที่เราเจอกันวันนี้เราขับรถไปจอดที่สี่แยกไฟแดงแล้วเราเจอรถที่อยู่ข้างซ้ายข้างขวาเราแล้วพรุ่งนี้เราขับไปที่สี่แยกไฟแดงอีกที่ว่าจะไปเจอรถคันเดียวกันหรือเปล่าโอกาสจะเจอก็มีโอกาสจะไม่เจอก็มีแต่จะเจอมันยากกว่าจะเจอใช่ไหมโอกาสที่เราจะไปเกิดกับคนนูน้นคนนี้ มันไม่มันก็เป็นเหมือนกับการขับรถไปจอดอยู่ที่สี่แยกไฟแดงเพราะทุกอย่างมันมีมันเป็นตัวแปลมันเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาไม่มีใครครวบคุมบังคับได้นั้นเราครวบคุมบังคับให้พ่อให้แม่ของเราคนนี้มาเป็นพ่อแม่ของเราขาวหน้าไม่ได้เพราะจังหวะที่เขาจะไปเป็นพ่อแม่ขาวหน้ากับจังหวะที่เราจะไปเกิดเป็นลูกเขามันอาจจะเป็นคนละจังหวะกันก็ได้เนี่นไม่ต้องกังวลอะเรามี พ่อแม่คนไหนแล้วก็พ่อแม่คนนั้นเนี่ยพ่อแม่คนนี้เราก็อาจจะไม่เคยรู้จักกัาเข้ามาก่อนแต่พอเข้ามาได้เป็นพ่อแม่เราเราก็รักเขาชอบเขามันกับพ่อแม่คนเก่านั่นแหละมันก็เหมือนกันะครับกับนวัตสการอาจารย์นะคะโปรดังๆหน่อยค่ะกับนวัตสการค่ะเ อ, อ ร, ะระหว่างวันที่หนูเจอกับการผัดสะในอารมณ์ของตัวเองนะคะก็รู้สึกว่าเรารู้สึกว่าเราควบคุมไม่ได้ แต่ว่าพยายามจะรู้ระหว่างไว้เฉยๆนะคะแล้วพอกลับมาอยู่ในอารมณ์ของสมาธิคือเมื่อเสร็จกิจธุระของส่วนตัวเราก็มาอยู่ในองค์ของสมาธินั่งสมาธิอะค่ะเราก็จะเอากลับสิ่งที่มาผัสสะมาพิจารณาบทธรรมคราวนี้พิจารณาไปเราก็จะเห็นแต่ตัวโกรธในสิ่งที่มากระทบกับเราเราควบคุมไม่ได้แต่อารมณ์ที่เราเห็นนั้นเรารู้สึกว่าเราอยากจะสลัดทิ้งอยากจะจัดการกับมัน แต่เราไม่สามารถจะจัดการกับนั้นได้ได้แต่มองก็มองเป็นอย่างนี้ค่ะไปเรื่อยๆอยากจะได้ขอคำแนะนำจากพระอาจารย์ว่าถ้าเราจเจอความรู้สึกของตัวโกโรธบ่อยๆเพราะในชีวิตประจาวันเราจะผัดสะกับตัวนี้บ่อยแต่เห็นเราก็ได้แค่วางแล้วก็รู้สึกเสียใจกับการทำอะไรไม่ได้ขอคำแนะนำในการดูตัวนี้ค่ะ เ, ออเราต้องหาสาเหตุของความโกรธความโกรธของเราก็เกิดจากความอยากของเรา อพอเราสัมผัสกับอะไรถ้าเราอยากให้เขาเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้พอเขาไม่เป็นไปตามความอยากเราก็จะโกรธเห็นเราต้องหัดฝึกใจแล้วอย่าไปอยากเห็นอะไรก็ให้เห็นเฉยๆให้รู้เฉยๆเขาดา่าก็ให้รู้ว่าเขาดา่าอ ย, ายา่าไป อ, อยากให้เขาไม่ดา่าเพราะอยากให้เขาไม่ด่าก็จะโกรธแล้วจะเสีย ใ, สใจขึ้นมาต้องฝึกหยุดความอยากหยุดความอยากกับสิ่งต่างๆที่มาสัมผัสให้สัมผัสเฉยๆให้รู้เฉยๆ nouveaux. ได้ยินเสียงก็รู้ว่าได้ยินเสียงเสียงชมก็อย่าไปดีใจเพราะเพราะว่าเราอยากให้เขาชมพอเขาชมเราเราก็เลยดีใจที่เราดีใจเพราะเราได้ของที่เราอยากงั้นเราก็อย่าไปอยากเขาชมเราก็ต้องเฉยเฉยเราเราจะได้เวลาเขาด่าเราก็จะได้เฉยเฉยได้ถ้าเฉยไม่ได้ก็ต้องใช้สติช่วยคือพุโทโธพุโทโธพอเกิดความดีใจหรือเสียใจก็รีบพุโทโธไป แล้วใจก็จะเฉยแล้วก็จะอยู่กับสิ่งที่เราสัมผัสรับรู้ได้ยมชอบเดินชมกลมมากกว่านั่งสมาธิค่ะพระอาจารย์ได้ตอนต้นก็อาจจะต้องเดินมากกว่านั่งก่อนเพราะว่าสติยังมีกําลังไม่พอนั่งแล้วมันอึดอัดนั่งแล้วมันไม่สบายแต่ต่อไปถ้าเรามีสติมากเราก็ควรจะนั่งเพราะนั่งมันจะได้ผลดีกว่าเดินมันจะสงบมากกว่านั่งเอาช่วยส่งไมโครโฟนไปทางนู้นหน่อย พวยใกล้ไมโครโฟ น, นเลยเรื่องดังสมาธิในการเห็นแสงสว่งางเนี่ยเัาคนนั้นพุโทโธไปแล้วมันเห็นแสงสว่างจ้าขึ้นมาเหมือนรอดไฟไ่ะอ๋อไม่เป็นไร น, นั้นเป็นผลที่จะเกิดขึ้นแต่ไม่ได้เป็นผลหลักที่เราต้องการถ้ามันแสงสว่างแล้วก็พูดโธต่อไปอย่าหยุดอย่าหยุดนะให้พุทโธไปได้เรื่อยอย่าไปสนใจกับแสงนั้นแล้วเดี๋ยวมันก็จะผ่านแสงนั้นไปแล้วจะเข้าสู่ความสงบสงบไปเรื่อยเราต้องการให้ใจนิ่งสงบ เหมือนตกลุมตกบ่อพอตกลุมตกบ่อแล้วใจมันก็จะนิ่งเราก็จะหยุดพุทธโธไปโดยอัตโนมัติ<ม>แล้วเราก็จะมีความสุขอย่าไป ใ, ใช่ใจสติหนึ่งไปอย่าตามแสงไปยอย่าไปดูแสงเอย่าดูแสงแล้วสติไม่มีแล้วเดี๋ยวใจก็จะวุ่นวายขึ้นมาจะ<ม>ไปไม่ถึงที่เราต้องการจะไปพยายามใช้สติรักษาสติไปเรื่อยๆจนกว่าจะถึงจุดหมายปลายทาง และไอจุ่นหมประชามที่เราเห็นแสงแล้วก็เจอแสงมันหายไปมันก็จะเราก็พูดโทรต่อไปแล้วเดี๋ยวมันก็วุบลงไปแล้วก็นิ่งสงบมีความสุขขึ้นมามันตั้งวุบลงไปมันมีความรู้สึกเหมือนตกหล้มตกบ่อตกเหวอะไรอย่างนี้ตกเหวไปแล้วก็มันก็ตัดไปเองอ่าแล้วมันก็จะหยุดไปที่นี่มันก็จะสักแต่ว่ารูแล้วก็มีความสุขมากอะมีคนถามต่อธรรมสการค่ะ คุณลิยะถามว่าบางทีหนูรู้ว่ า, าเราหงุดหงิดเราโกรธแต่พอเราตามรู้ทันมันก็เฉยลงได้แต่มันไม่ได้หายไปทีเดียวนะคะมันก็ยังอยู่เหมือนเดิมคิดว่ามันถูกทางไหมคะพอมันมันใช้สติหยุดมันไงเราใช้สติจะให้มันหายไม่ให้มันกลับม า, าต้องใช้ปัญญาวิเคราะห์ว่าเราหงุดหงิดกับเรื่องนั้นเพราะอะไรเพราะเราอยากให้เรื่องนั้นเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้ใช่ไหม เราก็ต้องหยุดความอยากเราอย่าไปอยากปล่อยให้เขาเป็นไปเช่นอยากให้แฟนเลิกสูบบุหรี่เห็นเขาสูบบุหรี่ทีไรก็งดเกยียดขึ้นมาก็าต้องยอมรับ ว, ว่าเราห้ามเขาไม่ได้เขาเป็นอนัตตาเมื่อห้ามไม่ได้อยากไปก็งดเกลียดไปปล่าๆก็อย่าไปอยากมันเสียก็ปล่อยเขาสูบไปเรื่องของเขาเขาตายเราไม่ได้ตายไปกับเขาเราก็จะไม่งดเ <ขอ S 1> หลียดต่อไปเ <ขอ S 2> <ด>ห้เขาสูบ เข้าใจนะโอเคทุกอย่างเกิดจากความอยากเท่านั้นเนะอะเหนื่อยข้านาทีสองวันกลับมาคำถามจากผู้ฝากถามบนเขาการสูญเสียคนอันเป็นที่รักเข้าใจว่าเป็นเรื่องศสัจธรรมแต่ความโศกเศร้าคิดถึงยังวนเวียนเข้ามาทำอย่างไรจะทำให้ใจสงบได้คะก็ต้องอย่าไปคิดถึงเขา เวลาคิดถึงเขาก็ต้องใช้สติใช้คําบริกรรมพุโทโธหรือใช้การสวดมนต์หรือการนั่งสมาธิพอจิตเราหยุดคิดถึงเขาความเศร้าก็จะหายไปแล้วเราก็ต้องเตรียมตัวแก้ปัญหานี้สําหรับคนอื่นเพราะต่อไปเราก็ยังจะต้องเสียคนอื่นหรือเสียตัวเราถ้าเราอยากจะไม่เสียไม่อยากจะให้ประวัติซ้ํารอยพระพุทธเจ้าก็ต้องบอกว่าให้เรามันคิดอยู่บ่อยๆว่าเราจะต้องมีการพัดพากจากกันเป็นธรรมดา คิดอยู่เรื่อยๆคิดอยู่ทุกวันพอเราคิดอยู่ทุกวันแล้วเราก็จะทำใจเตรียมตัวรับกับการพัดพลาดจากกันแล้วต่อไปเวลาเกิดการพัดพลาดจากกันเราก็จะไม่เสียใจต้องหันมันพิจารณาเราเกิดมาแล้วย่อมมีการพัดพลาดจากกันเป็นธรรมดาล่วงพ้นการพัดพลาดจากกันไปไม่ได้ให้คิดอย่างนี้ไปเรื่อยๆคิดบ่อยๆคิดทุกวันพระพุทธเจ้าสอนพระอาุนนท์ให้คิดทุกลมหายใจเข้าออกเลย ว่าไมช้ากันแล้วเราก็ต้องตายจากกันให้คิดอย่างนี้ไปเรื่อยๆแล้วใจมันจะเริ่มเปลี่ยนทัศนคติว่ามันจะไม่ได้คิดว่าจะต้องไปอยู่ร่วมกันไปตลอดแล้วพอถึงเวลาจะจากกันมันก็จะเฉยได้ไม่เศร้าโศกเสียใจถ้ายังเศร้าโศกเสียใจก็ใช้สติช่วยก็ได้พุโทโธพุโทโธไปหยุดอย่าไปคิดถึงคนที่ทําใหเา้เรื่องที่ทําให้เราเศร้า หรือถ้าใช้ปัญญาได้ก็บอกว่าเขาไปแล้วเขาไม่มีวันกลับมาแล้วเป็นเหมือนความฝันเมื่อคืนนี้เราฝันพอเราตื่นขึ้นมาสิ่งที่เราฝันมันก็หายไปแล้วจะไปดึงกลับมาไม่ได้คนที่จากเราไปแล้วก็เหมือนกันจะไปดึงเขากลับมาไม่ได้ก็เป็นเหมือนความฝันเราก็อยู่ต่อไปเราไปทุกข์ก็ไม่เกิดประโยชน์อะไรทุกข์เพราะเราอยากนี่เราก็อยากไปอยากให้เขากลับมาเราก็จะไม่ทุกข์ต่อไป ถ้าใช้ปัญญาได้ก็ไม่ต้องใช้พุโทโธถ้าใช้พุโทโธทุกครั้งที่คิดถึงเขาก็เศร้าขึ้นมาก็ต้องใช้พุโทโธหยุดมันแต่ถ้าใช้ปัญญาว่ามันเป็นอดีตไปแล้วมันเป็นเรื่องที่ผ่านไปแล้วเป็นอนิจจังเป็นอนัตตาละห้ามไม่ได้สั่งให้เขากลับมาไม่ได้ก็อย่าไปคิดถึงเขาจบมันก็หายเศร้าหายโศกอ่าเบ้ีค่ะคำถามจากคุณชวน เวลานั่งสมาธิควรจะนั่งในที่เงียบๆถ้ามีเสียงน้ำไหลน้ำตกด้วยจะได้ไหมครับคือมีเสียงน้ำไหลคือฟังเสียงน้าแทนภาวนาพุโทโธจิตจับไปที่เสียงน้ำไหลจะได้ไหมครับไม่ควรหรอกควรจะใช้ลมหายใจหรือใช้คำบริกรรมพุโทโธดีกว่าเพราะถ้าไปเสียงน้ำเดี๋ยวต่อไปเวลาไม่มีเสียงน้ำมันจะไม่มีอะไรให้เราจับ เราเอาสิ่งที่เรามีอยู่กับตัวเราดีกว่าไม่งั้นเดี๋ยวต้องไปหาน้ำตกนั่งถ้าไม่มีน้ำตกจะนั่งไม่ได้นะะต้องเอาของที่เรามีอยู่กับตัวเราเช่นคําบริกรรมพุทโธพุทโธหรือลมหายใจเนี่ยเราไปนั่งที่ไหนเราก็มีอยู่ตลอดเวลาถึงแม้ว่าจะมีเสียงอื่นถ้าเป็นเสียงธรรมชาติไม่เป็นไรมันไม่รบกวนอย่าให้มันเป็นเสียงของมนุษย์เสียงที่มนุษย์เราผลิตขึ้นมาเช่นเสียงเพลงหรือเสียงละครเสียงอะไรนี้ พอถ้าฟังเสียงเหล่านี้แล้วมันจะทำให้ใจเราเกิดความอยากขึ้นม า, างิ้นถ้าเป็นเสียงธรรมชาติเสียงลมพัดเสียงน้ำไหลนี่ไม่เป็นปัญหาอะไรแต่ถ้าไปนั่งที่สงบได้ไม่มีเสียงอะไรนียก็จะดีะออี่ข้อเดีย ว, ข, ยวข้อสุดท้ายคำถามจากคุณณพลการใช้โทสะจริตแก้ความหลงนั้นถูกต้องและได้ผลร0อยเปอร์เซ็นตไหมครับ โดยส่วนตัวผมไม่เห็นด้วยเพราะว่าการที่เราฝึกเมตตาเมตตาในใจตนเองก็จะหายไปไม่เข้าใจความหมายใช้โทสะเจริญแกบโมหะเหมือนมันมันมั น, ม, น, ม, น, ม, นมันคนละเรื่องกันโทสะเจริญก็ต้องใช้เมตตาโมหะเจริญก็ต้องใช้ปัญญาถึงจะหายเอาละนะคิดว่าพอสมควรแก่เวลา